เคลับหนี่งที่จะช่วยระดับผู้ใหม่ผู้เก่าก็ดีนะอืเค็ดลับที่จะช่วยทีอผมยิ้มน้อยๆจะนั่งยกลงต่าจังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดีเรือนั่งดูลงหายใจก็ดีนะผมยิ้มน้อยๆแรกๆผมยิ้มต่อไปก็จะเริ่มถึงขึ้นพอเริ่มตื่นขึ้นค่ะ มาอมยิ้มใหม่ไว้ลา้ามาไนแม่เธอมันมันจะลืมอตอนแรกก็ยิ้มดีๆแต่ไปก็เริ่มตื่นแบนแล้ก็กลับมาใหม่นะอมยิ้มในน้อย น, นะช่วยได้นะแล้วก็มีความใส่ใจนะมีความตั้งใจแต่ไม่ใช่ตั้งจนเครียดจังนะันตะึงนะ มีความใส่ใจเข้าไปในการทำํำไม่ที่ทําแบบก็เลยทายกมือไปยกมือไปเนี่ยใส่ใจเหมือนนะ่ะรัแบบูใส่ใจทําำมันจะได้คุณภาพ คนเวลาทำในรูปแบบน้อยนะปริมาณอาจจะได้ไม่มากแต่เีาได้คุณภาพพอพอเราทำด้วยด้วยความใส่ใจมีคุณภาพนะบางทีเราไปทางานทาการนะเวลาบางทีอาจจะลงอาจจะลืมตัวไปบ้างแต่พอกลับมาพลิกมือปุ๊นบนะสองสามไหว่าจิตกลับมาอยู่ตรงนะี้ตัวลความพุ่งสร้างมันตลาดไปได้เร็ว บางทีโกรธอยูด่ดีๆนะพอ ก, กลับมาหายใจครั้งสองครัง้งนะกลับมาเป็นปกติแล้วแต่ถ้าเราตัดไปว่าทำเฉยๆนะบนงทโีโกรธจะกลับมา น, นานมากแต่ถ้าเราเนี่ยทําแบบมีคุณาภาพนะมันก็หลงไปบ้างแหละแต่พอกลับมาหากรรมฐานกลับม า, า, มบมาหารูปแบบนะหายใจครั้งหนึ่งเนี่ย วางเลยความคิดวางไปอารมณ์วางไปได้หล่กลับมาอยู่ตรงนี้ได้เลยแต่มันก็ต้องเป็นความสมดุลพอดีื่อทีใป่ใจมากตั้งใจ ม, มากบางคนเครียดก็ให้มันพอดีมีความใส่ใจแต่มีความผ่อนภายในการกระทำอยู่ด้วยกนะัน <c oughs> ได้นะไม่ใช่ ตั้งใจแบบไหนตั้งใจต้องเข็งเครียดดิ อ, อาจารย์เอกสารท่านผู้วิีท่านบอกทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสทํทาได้ตั้งใจทำํำทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสไม่เคร่งเครียดนะเสริมแบบ แต่มีคนจีนเคยถามหลวงพ่อเขียนว่ามีเคล็ดับพิเศษมีเทคนิคอะไรในการปฏิบัติแบบของพ่อเทียนไหมหลวงพ่อเขียนแล้บอกว่าไม่มีเคล็ดลับแล้วบอกสรุปท่านบอกว่าคำนี้ก็ดีนะหลวงพ่าบอกรู้ตรงตรงตรงเลยรู้ตรง ต, ง ต, งตง ตรงที่การกระทำดูตรงๆบางทีบางคนทามเค็ดรับเนี่ยคีออยากจะได้ทางละเดี๋ย <c oughs> เดี๋ยวทานที่ง่ายๆแต่จริงมันไม่มีทางแบบอะไรมันไม่ใช่เหมือน เราทําอะไรนะเราอยากจะได้อะไรยิ่งง่ายๆเร็วๆรักเนะ่ะแต่จริงแต่ว่ารักถือตรงก็ก็ม่ก็ไม่ใช่ใช่ไหก็ทัวร์นะรู้ตรงๆรู้ไปตร ง, ตรงในสิ่งที่ทํทำนะรู้ตรงๆล ง, งไปเลย แนะนำเรื่องการปฏิบัติธรรมนะมันก็แนะนำแค่นี้นะจบ <c oughs> ไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นี้ <c oughs> แต่สิ่งที่มันจะทำให้เกิดผลคือเราไปทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆ <c oughs> แล้วมันจะปรากฏสิ่งต่างๆนะให้เรามันทีก็เป็นความสงสัย <c oughs> เอถูกหรือผิด หรือบางทีก็ไปอยากรู้อย่างนั้นอย่างนี้นะไหนนะหรือบางทีก็เป็นอารมณ์เกิดขึ้นมาเป็นปิติสบายเบานะตีเราก็หลงไปติดใจนนว<ม>ันนี้เบาสบายดีวันนี้เราเก่งหรืมนดูเกลอว่าเห็นไหมตัวเราก็มาละเราเก่งวันนี้ฟุง้งซ่าน วันนี้ง่วงวันนี้ไม่สงกเลยวันนี้กูแย่ฉันไม่ดีเลยนะบางทีก็สงสัยหรือว่าปฏิบัติเป็ น, นี้ไม่ใช่เจดิตของเราคิดถึงเราต้องไปนั่งสงบดีก็ไปโทษอืมอาจจะไม่ถูกเจดิย์หรือเปล่าทางพึ่งางท้าที่มวัวอ่า จ, จะดีนะ พอวันนี้ไม่ดีรู้สึกไม่ใช่แล้วเว้ยนะบางทีนะมันเป็ของไม่เที่ยงโยูมืนกินอาหารนะม่ากินอาหารอาหารร้านเดิมเมนูเดิมอะไรนะวันนี้อร่อยอร่อยนะไปกินอีกครั้งคิดว่าจะอร่อยเหมือนเมื่อวานก็า <c oughs> อ, อาจจะไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วใช่อืมมันไม่ที่อย่างคือแบบนี้แหละฮะ นะแต่ทำไปเรื่อยๆมันจะความผิดนะมันจะสอนความหลงนะความหลงความทุกข์นะความผิดพวกนี้แหละนะมันเป็นครูที่ดีมากนะครูที่ดีนะความสุขความสงบความสบายเนี่ยบางทีมันชวนให้เราหลงเพราะเราคิดว่าหลงไปแบบนั้นดีได้ซ้ำบางทีเราจะลืมตัวได้ง่ายๆ เบาสบายจะไปอยู่กับมันสงบก็แช่นิ่งไม่อยากรู้อะไรเลยนะคนนักปฏิบาาัติธรรมหลายคนไปติดอยู่ตรงนั้นไปติดอยู่ในพวังสร้างพบ mm hmm. สงบนิ่งสบายไปอยู่ในภพนั้นจะ mm hmm. อยู่แต่แบบนั้นนะนะถ้าตายไปก็จะ ไ, ไปเป็นโทมโตม แต่ผมว่าโลกนะพวะเจ้าท่านอุทานพอท่านตัดสุดุธรรมะท่านก็คิดนะตอนแรกก็อาจจะแต่มาว่าท่านก็คงไม่ได้ท้อถอยจิตใจหรอกวจะผมไม่มีใครรู้ธรรมหรอกนะท่านก็พอคิดถึงอ้ยใครน่าจะมีความตั้งใจที่ดีมีสมาธิที่ดีจะไปสอนคนไหนก่อน ท่ก็คิดถึงอาจารย์พาราระดาบทอุทกกดาบทที่เป็นอาจารย์สอนสมาธิท่านมีสมาธิขั้นสูงพอท่านระลึกได้ได้วยญาณปัญญาว่าตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ที่ไหนปรากฏว่าไปเห็นด้วยอนาจจิตไปอยู่ในพรมาโลกแล้วตายแล้วอยู่พรมาโลกท่านอุทานว่าไง ชิบหายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อันโน้โนนะันนั้นนะเนี่ยชิบหายแล้วเราก็ไม่รู้พระตาบาลีจริงๆนะนะ า, าระตาเป็นเขาว่านะแต่ต้องประมาณวนะ่าโอ้พลาดแล้วพลาดแล้วอืมก็ว่ากว่าจะหลุดจากพกภูมิพมาโลกอะ่ะไม่รู้อีกกี่ พระพทเจ้ามามาเกิดมาดับในโลกกี่กี่พระองค์ก็จะกลับมามเสียเวลานือนช้าไปอยู่ในภพภูมินั้นน่ะคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบเหมือนถูกสตาร์ทไวน้นะสตาร์ทไว้ในในความสงบในในพรมก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะ่ะเกิดดับของในภพภูมิของตเองนานมาก แต่มนุษย์เนี่ยมันดีต่อมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์นะความเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็เห็นช้าหน่อยเนาะเช่นใบหน้าของเราเนี่ยดูวันนี้กับดูพรุ่งนี้ไม่ค่อยต่างกันแต่ดูวันนี้กับดูปีที่แล้วก็ต่างกันบ้างนิดนะึงแต่ถ้าดูสิบ ป, ปีเออค่อเยอะหน่อยนะอันเนี้ยถ้าดูรูปนะดูรูป ความเปลี่ยนแปลงที่รูปบางทีก็ถ้าดูใกล้ๆ ก, ก็เปลี่ยนแปลงไม่มากถ้าดูนานๆค่อยเปลี่ยนแปลงเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่มันชัดในจิตใจเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนไปคิดเปลี่ยนไปชอบเปลี่ยนไปชังเปลี่ยนความรู้สึกเรื่อยๆเปลี่ยนเร็วเห็นได้ง่ายนั้นรูปเห็นความเป็นทุกข์ของมันได้่าย น้ำสะพัดกระทุกอะอืมต้องกระดูกกระดิ่งนี่ยมันเป็นทุกรูปนะเปนี่ยจเห็นความเป็นทุกของมันได้ง่ายจะหารูปที่มันสบายโยมลองดูสิทั้งวันเนะี่ยจะหาท่าที่มันสบายจริงๆหาได้ไหมแป๊บหนึ่งสบายได้แป๊บหนึ่งหายใจเข้าเหรอสบายเริ่ไม่สบายละ ไม่ถึงสิบว น, นาทีนะงกีนสบายสบายหายใจเข้าพอมาเริ่มสุดเริ่มตันเนี่ยเข้าไปอีกเนี่ยจะตายละอ่าตอนนีหายใจออกนะรูปมันอีเดียปวดแก้ทุกบันเทาทุกนะไม่ใช่ดับทุกนะรูปเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกกินดื่มคลัทชทายยืนเดินนั่งนอนอยากขยื่อนเส้นใยเนะี่ยแก้ทุกบันเทาทุกไม่ใช่ดับทุก นับไม่ได้รูปเนี่ยดับทุกข์ไม่ได้เนี่ยเราก็ดูรูปเห็นความเป็นทุกข์ของมันชัดนามเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงลเราแน่อ้อนไม่ได้เห็นความบังคับบัญชาของมันไม่ได้เนี่ยชัดเจนดูดีๆเนี่ยดูรูปนามก็สอนสอนไตรลักษณ์เห็นความทุกข์ เห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเห็นความมังคับบัญชาไม่ได้นะคืออะไรเช่นโกรนนะสอนอย่าโกรธสินะรู้ว่าโกรธไม่ดีนะโ <c oughs> กรธมันเป็นทุกข์นะมันไม่เชื่อนะักจิตนะโอ้ไม่ได้เว้ยมึงว่ากูกูต้องู้ว่ามันไปดา่ามันก่อนมันถึงจะหายโกรธนะมันต่อแบบนี้นะ มันไม่คิดสอนนะโอ้ให้อภัยก็เถอะอ่า อ, อย่าโกรธเลยนะอืมคนไหนไม่ค่อยเชื่อนะตอนมันโกรธนะมันเชื่อฝ่ยุมากกว่าเชื่อไ่าห้าวนะีะ ม, มันอยากก็เหมือนกันะมันอยากอะไรก็รู้นะตอนมันอยากก็เป็นจริงเหมือนจังพอมนได้มาก็ <c oughs> ดีใจครับหนึ่งแล้วหนึ่อเลยละ บังคับไม่ได้เนาะความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงความบังคับไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เราไปทำให้มันสุขตลอดให้มันสบายหรือไปทำให้มันเที่ยงหรือไปบังคับมันนะปฏิบัติไม่ใช่ไปทาตรงข้ามกับใตรักแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นตุกนาเป็นใจรักแบบนี้ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะทาให้มันตรงข้าม ตรงข้ามคืออะไรให้จิตมันเที่ยงเที่ยงคืออะไ ร, ใ ห, ออะไรให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันไม่คิดไม่ใช่เป็นแบบนั้นปฏิบัติเพื่อจะบังคับจิตให้เป็นอย่างที่ต้องการนั่นไม่ใช่น ะ, ะปฏิบัติทัานจะนั่งให้มันไม่ทุกข์ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ใช่นะ แต่งในการปฏิบัติคือให้รู้พระเจ้าต่อทุกให้กำหนดรูนะ้กายใจคืสิ่งที่ให้รู้นะทุกให้รู้สมุทัยความอยากนะอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอานะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเอานะ ให้ละละตรง น, นั้นนะอืออย่างที่มาเพื่ อ, อยากสงบนะให้ัะความอยากมันจะสงบ <c oughs> สงบที่ไม่ไม่ยากนะแต่ไม่ใช่ไมไม่อยา ก, ใ, นนยากให้มันไม่อยากนะะอืมมันไม่ใช่ไปซ้อนตรงนั้นไม่อยากให้มันไม่อยากแต่เหมือนแค่ตัดไม่อยากออกมันก็สงบ รู้ทันรือทันปุนบ๊บสมุทยเมื่อรู้ทันมันจะละแต่ถ้าไม่รู้ทันนะมันจะทำด้วยความอยากทำด้วยความอยากจะรู้ทำด้วยความอยากจะให้มันไม่คิดมันจะทำด้วยความอยากทำด้วยความชอบทำด้วยความไม่ชอบสมกชอบก็ข้าไปแช่ไม่สงบก็ก็ไปตี ก็ไปพูดอย่กับมันแต่จากภาวะที่ดูเนยมันจะเห็นเหมือนเห็นมาเมื่อวานเราพู่บอกเหมือนเราอยู่บนฝั่งดินน้นเจ้าพญาเมื่อเราอยู่บนโปะอยู่บนท่าเดือผ่านมาผ่านไปผักตกชื่อว่าเรืออะไรลอยมาลอยไปเราก็เห็นมันเราอยู่บนฝั่ง ไม่เปียกน้ำนไม่ไปไหนไม่มาไม่ไปเขแต่เราเห็นเขามาเห็นเขาไปเห็นอารมณ์เขามาแล้วก็ไปเห็นสืงนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดูแบบนั้น <c oughs> ฟังไปนอกไม่ใช่ฟัง่คิดต่ก็ฟนิดนึงเนจดจำไว้ในจิตใต้สำนึก <c oughs> เมื่อวหนึ่งนะ เมื่อวันหนึ่งมันภาวนาภาวนาไปเมื่อมันติดอารมณ์มันมันหาทางออกไม่ได้ไอ้สิ่งที่เราเลฟังน่ะมันจะย้อนถล่มมาสอนเราเตือนเราเองฟังตอนนี้เหมือนไม่เข้าใจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างบางอย่างเหมือนเข้าใจแต่ยังทาไม่ได้ก็รู้อยู่ก็ยังทาไม่ได้แต่พอวันหนึ่งที่เราภาวนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำสอนที่ถูกทางที่ถูกต้องพวงนี้แหละ มันจะมาแก้ลงเรามันจะมาแก้ที่เราพอนายเนีน่ยมันจะย้อนกลับมาเนาะก็ก็ฝากไว้ให้เป็นเหมือนเป็นเป็นเพาะเมล็ดพันธุ์ไว้ในใจนะแต่ถามว่าถ้าพี่พอนานยก็ไม่เข้าใจเดียวเหมือนจยอดมเมล็ดไว้ในถุงนะไม่รดน้ำไม่ดูแลเลยเลยนะตาย แต่การภาวนาเหมือนดูแลนะั่นแหละแต่มาเจ็จงอกตอนไหนเรื่องของมันบังคับไม่ได้หน้าที่เราก็หย่อนลงไปละรดน้ำดูแลนะอยู่ในสถานที่ที่แดกก็ดีเลยนะแต่ถ้าเราไม่สนใจเลยนะก็มันก็จะจบแค่นะั้นะนกก็ปากไปเดี๋ยวก็ไปฐานอาหารนะแล้วก็กลับมาปฏิบัติธรรมกต่อนะ Mm-hmm.